มีคำพูดประโยคนึงนะที่ได้ยินบ่อยๆแล้วก็ผู้คนมักจะใช้อ้างเวลาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเช่นทำรายงานก็ไปคัดลอกมาตัดแปะเงี้ยหลายคนก็บอกแคล้ก็ทำกันครูนะหรือว่าทิ้งขยะนะตามอุทยานหรือว่าป่าน้ำตกเนี่ยก็มีขยะมีถุงพลาสติกเยอะนะเวลาไปทักว่าทำไมถึงทิ้งขยะแบบนั้น หลายคนก็บอกว่าใครๆเขาก็ทำกันนะหรือถึงไม่มีใครทักแต่ว่าพอมันมีเสียงแย้งในใจแล้วก็ให้เหตุ <ๆ S 1> ผลกับตัวเองว่าเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันนะอีกประโยชน์หนึ่งที่เราอาจจะได้ยินบ่อยหรืออาจจะใช้กับตัวเองด้วยซ้ำนะถึงฉันไม่ทำคนหนึ่งก็ทำนะมีดอกไม้นะเห็นดอกไม้ในสวนอุทยานนะ อยากได้ก็เด็ดนะพอมีคนทักว่าเด็ดทำไมเขาห้ามเด็ดนะก็จะมีเหตุผลมาว่าเนี่ยถึงฉันไม่เด็ดคนหนึ่งก็เด็ดนะเพราะฉะนั้นฉันเด็ดก่อนดีกว่านะในป่าเนี่ยก็มีต้นไม้เยอะนะแต่ก็มักจะมีคนเนี่ยลักลอบไปตัดไม้ไปเอาสมุนไพรนะหลายคนก็ให้ผลว่าเนี่ยถึงฉันไม่ตัดคนหนึ่งก็ตัด ถึงฉันไม่เอาคนหนึ่งก็เอาเพราะฉะนั้นฉันเอาก่อนดีกว่านะยังไงมันก็หมดอยู่วันยังค่ํานะเราใช้เหตุผลนี้แหละนะในการทําสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าทําความชั่วถึงฉันไม่ทําคนหนึ่งก็ทําแต่แปลกนะเวลาถึงเวลาต้องทําความดีอ่ะเช่นมีคนป่วยมีคนเป็นลมอยู่ริมถนนเนี่ย หลายคนจะบอกเลยว่าถึงฉันไม่ช่วยถึงคนหนึ่งก็ช่วยเพราะนั้นฉันก็เดินผ่านไปนะอย่างที่เคยเล่าเมื่อวานนะว่ามีคนป่วยมีคนเป็นลมอยู่ริมถนนบางทีอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าหรือว่าป้ายรถเมนะ์ไม่มีใครสนใจเลยไม่ใช่เพราะว่าใจกระด้างใจใจแข็งหรือว่าใจหินนะแต่หลายคนก็จะพูดว่าเนี่ยเออนึกในใจหรือให้คำให้ผลในใจว่า ถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยฉันต้องรีบนะฉันมีธุระนะก็เดินผ่านคนที่กำลังทุกข์ร้อนไปได้อย่างหน้าตาเฉยนะสังเกตไหมเหตุผลเดียวกันนะ่ประโยช์เดียวกันเนะี่ยถึงฉันไม่ทำคนหนึ่งก็ทำเนะี่ยเราเอามาใช้เพื่อทาความชั่วก็ได้หรือว่าละเลยเพิกเฉยไม่ทำความดีก็ได้ถึงเวลาจะทำความชั่วก็ใช้ประโยคนนี้แหละนะ เป็นเหตุผลรองรับนะให้ทำอย่างสบายใจแต่ถึงเวลาจะช่วยคนนะก็กลับไม่ไม่คิดแบบนั้นนะว่าเราจะต้องช่วยเขาก็ให้เหตุผลเดียวกันว่าถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วย mm hmm. เหตุผลเดียวกันเนี่ยเอาไว้ใช้ทั้งทำความชั่วหรือว่าละเลยไม่ทำความดีแต่ทั้งสองเหตุการณ์สองกรณีนี้ก็มันเหมือนกันอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัว นะมันเป็นการตอบสนองกิเลสนะความต้องการกิเลสกิเลสมันอยากได้ดอกไม้มันก็อ้างว่านี่ถึงใครไม่ถึงฉันไม่เด็ดคนนึงก็เด็ดนะ้ฉันเด็ดดีกว่ากิเลสมันก็ไม่อยากช่วยใครนะเห็นแก่ตัวเห็นคนป่วยล้มอยู่ถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยเพราะนั้นฉันไม่ช่วยดีกว่านะกิเลนี่มันฉลาดนะมันสามารถจะใช้ประโยชน์เดียวกันเนี่ย ในการทำชั่วก็ได้หรือว่าละเลยไม่ทำความดีก็ได้มันฉลาดที่จะหลอกเราให้หลงนะแล้วลราคิดว่าเออมีเหตุมีผลนะไม่ทำไม่ทำความดีก็มีเหตุผลถึงเวลาทำความชั่วก็มีเหตุผลแต่มันเป็นเหตุผลของกิเลสนะถ้าเราไปเชื่อเหตุผลเหล่านี้นะัเราก็กลายเป็นว่ากล้าทำชั่วกลัวทำดีนะหรือว่า เพิกเฉยในการทำความดีนะแต่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทำชั่วได้อย่างสบายใจฉะนั้นต้องไอ้คำว่าใครๆเขาก็ทำกันเนี่ยนะใช้ให้น้อยลงก็ดีนะหรือถ้าใช้ก็ใช้ในการทำความดีนะส่วนทำน้อยโดยการประโยค์ที่ว่านี่ถึงฉันไม่ทำคนอื่นก็ทำนี่ก็ใช้ให้มันน้อยๆหน่อยก็ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำชั่ว คนที่คดโกงหรือว่าทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองขอ้าราชการหรือแม้กระทั่งคนในห้างร้านธุรกิจเนี่ยเขาไม่เขาไม่รู้หรือว่าไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันผิดแต่เขาก็ทำได้เพราะเหตุผลว่าใครๆคเขาก็ทากันนะใครใคเขาก็ทำกันหรือว่าถึงฉันไม่ทำคนหนึ่งก็ทำนะ นี่เราต้องระวังนะไอ้สำนวนหรือประโยคเนี้นะมันทําให้ผู้คนนะทำบาปทําชั่วหรือว่าเสียพูดเสียคนมาเยอะและ้วโดยเพราะเวลาเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะบางทีก็ปล่อยให้หมู่คณะเนี่ยชักชวนให้เราหลงผิดทำทำไม่ดีนะทะนั้งที่มันก็มีเสียงเตือน <c oughs> เสียงเตือนในใจนะว่าอย่าทําอย่าทําแต่เราก็ทําเพราะว่าใครๆเขาก็ทํากันนะ น, นเดี๋ยวนี้เนี่ยการการโกงข้อสอบก็ดีนะการลอกนะลอกการบ้านลอกรายงานก็ดีก็ทำกันเกเรนะการคอร์รัปชันแะม้แต่ในวัดวาอารามเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ทำผิดวินัยนะก็ก็ทำกันเยอะเหตุผลก็คือว่าใครๆเขาก็ทำกันนะอันนี้เราก็เลยก็เลยเห็นนะความไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นแพร่ระบาดไปทั่ว เหตุผลนี่มันไม่ใช่บาดีเสมอไปนะเหตุผลที่มันเป็นการสนองกิเลสมันก็มีเหมือนกันที่เขาบอกคนสมัยนี้เป็นคนที่มีเหตุผลนะหรือเขาสอนว่าให้เรามีเหตุผลนะ่ะสอนแค่นี้ไม่พอนะเพราะว่ากิเลสมันก็สามารถปรุงแต่งเหตุผลให้เราทำชั่วได้่าไปเชื่อเหตุผลทุกอย่างเพราะว่าเหตุผลของกิเลสก็มีนะ อย่างที่เล่าไปเมื่อสอนสมัยก่อนเนี่ยขี้เล่าเลิกเล่าไม่ได้ทุกทีพยายามจะเลิกเล่าเดินผ่านร้านเหล้าทีไรเป็นอันต้องเสร็จทุกทีแล้ววันหนึ่งก็สามารถจะเดินผ่านร้านเหล้าได้โดยที่ไม่แวะเข้าไปกินเหล้าเหมือนเคยแต่พอผ่านร้านเหล้าได้ก็ดีใจว่าชนะแล้วงั้นเราไปฉลองฉลองชัยชนะกันดีกว่านะแล้วก็เดินกลับไปกินเหล้าไปเข้าร้านเหล้ากินเหลมมัน บอกว่าเอ้ยไปฉลองดีกว่านะมีเหตุผลดีนะเหตุผลสวยหรูนะชนะเนี่ยก็ต้องไปฉลองแต่ไปฉลองที่ไหนนะก็ไปฉลองในร้านเหล้าอันนี้คืออุบายของกิเลสนะซึ่งสามารถจะปรุงแต่งเหตุผลที่สวยหรูนนถ้าเราเป็นคนที่เชื่อเหตุเพื่อเชื่อผลนะบางทีก็เสร็จเหมือนกันนะเสร็จกิเลสนะเพราะกิเลสหรือามานี่มีอุบายมากนนต้องระวังนะฉะนั้นคำว่าคล้ายๆเขาก็ทากันหรือว่า ถึงฉันไม่ทำคถึงก็ทำเนี่ยนะลืมนะลืมไปเลยก็ดีนะมันจะทำให้เราเนี่ยนะหลงกลอุบายของกิเลสได้น้อยลงอะละเตรียมรับพร